ก็หลีกเร้นเข้าไปอยู่ในถ้ำและเปล่งอุทานเป็นธรรมภาสิทธิ์ในทางส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา